ีธมบันไดจุดฟังทีไรได้สุดทุกทีโดยระกรงค์คุณาพรง อ, ออบโวัญานเวศกวนตมบุบางกระทึกอำเภอสามพรานจันงหวัดนครปฐมเรื่องที่3ทำงานให้เป็นวันความสุขก็หลายกำไรก็เยอะบรรยายวันที่23ิมิถุนาเดนพุทธศักราช2546นอย า, ากจะขออบัท่านเจ้าคุณสักเล็กน้อยครับอบุบในการในการทำงานครับเรื่องทำงานก็เคยรุ่นกดอยวกัน ก, น, กนก็เคย ถามทำนองนี้หรือขอทํำนองนี้ว่าทัดเดลาและท่านขอให้พูดเรื่องการทำงานนี่การทำงานมันจะมีหลายแง่หลายมุมมันเป็นเรื่องยาวนะแต่ก็เคยพูดไปบ้างแล้วเนี่ยเช่นแง่นึงก็คืองานนั้นเราก็จะมีความหมายถึงประกอบอาชีพป่อกอบอาชีพก็จะมีคําถามว่าอาชีพคืออะไรใช่ไหมอาชีพแปลตามตัวแปลว่าเครื่องหาเลี้ยงชีวิตนะก็แปลตรงตรงภาษาไทยก็แปลเป็นเงิหาการเลี้ยงชีพหรือเครื่องหาเลี้ยงชีพเครื่องหาเลี้ยงชีพก็หมายถึงตัวการงานที่เราไปทําแล้วก็ทําให้เราได้เงินมาเลี้ยงชีวิตชันมีปัจจัย4ี่ต้นน แต่ทีนี้ว่าอาชีพเนี่ยมันมีความหมายที่แท้ลึกกว่านั้นเยอะอย่างที่เคยพูดอยูแล้วว่าอาชีพมันเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์เพราะความฉลาดมีสติปัญญาของมนุษย์ที่ทําให้เกิดวัฒนทํามและอารยธรมอาชีพมันก็เป็นเรื่องของระบบการแบ่งงานกันอย่างหนึ่งแทนที่ว่าทุกๆคนเนี่ยก็จะต้องไปหาอาชีพซีหาอาหารอย่างเดียวกันหมดนก็มาจัดแบ่งงานกันโดยที่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าชีวิตและสังคมมนุษย์นี่มันมีเรื่องราวที่ต้องจัดต้องทำและปัญหาที่ต้องแก้ไขมากตลอดจนกระทั่งการสร้างสรรค์ใหม่ใหม แล้คนก็มีความถนัดไม่เหมือนกันแล้วก็มีความพอใจที่เรียกว่าฉันทะไม่เหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นว่าคนเรามีโครคภัยไข้เจ็บนะก็ต้องมีการบำบัดรักษาโรคคนเราต้องมีบ้านที่อยู่อาศัยก็ต้องมีการสร้างบ้านเนะีแล้วก็แม้แต่อาหารการกินเนถะ้าหากว่าดูไปแล้วก็มีคนที่ชำนาญในการปลูกพลไม้พืชพันธุ์อย่างนี้นะี่ยบางคนก็ไปนถนัดเรื่องนวดเนนะีไม่เหมือนกันนี้เพราะว่ามนุษย์เรามีปัญญายเราก็เลยเออมาดูกันว่าใครมีความถนัดมีความสามารถทําอะไรก็ให้ไปอุทิศเวลาและรายงานขาตัวในเรื่องนั้น ก็จะทำได้ผลดีเพราะตัวเขานัดเขาชอบแล้วก็เขาไปทำอย่างนั้นอย่างเดียวเขาก็ดิ่งชำนาญก็จะได้ผลดีนก็เลยเอาใายถนัดทางไหนไปทำทางนั้นชอบเรื่องการรักษาบำบัดโรคช่วยคนดูปภาพดีอยากให้เพือนมนุษย์แข็งแรงเอาไปทำอาชีพหนึ่งเกิดเป็นอาชีพแพทย์นก็แพทย์ก็ต้องอาศัยยาอีกเกิดเป็นอาชีพเภสัชอีกเกิดเป็นอาชีพสถาปนิกออกแบบบ้านมีส่วนมาคานวณเรื่องการเกี่ยวกัรก่อสร้างมีพวกทาโน่นทำนี่ปลูกผักลไม้ก็เกิดเป็นอาชีพต่างๆเนี่ยนี่อาชีพแต สมบูรณ์สนองความต้องการบางอย่างก็เกิด อ, อาชีพแต่ละอย่างนี่ก็เมื่อคนไปทํางานด้านนั้นแล้วนะให้ชีวิตพื้นก็คือว่าจะต้องกินอยู่อาศัยปัจจัย4เป็นต้นต่อมาก็มีการจัดสรรแบ่งงานที่ว่าอ้าวคุณตั้งใจทําอาชีพการงานนี้ไปนะก็มีการได้ค่าตอบแทน <c oughs> ก็จระบบผลตอบแทนค่าตอบแทนกลายเป็นเรื่องเงินทองเลยนี่เขาก็ไม่ต้องไปดือดร้อนนอกเหนือจากการทํางานอาชีพเพราะว่าทางานอาชีพแล้วก็ได้ผลตอบแทนมามันก็อยู่ได้เลยก็ตั้งหน้าตั้งตาทำอาชีพนั้นก็ยิ่งได้ผลดีใหญ่เป็นประโยชน์กับชีวิตและสังคามมาย เป็นเครื่องช่วยแก้ปัญหาชีวิตและสังคมหรืททำการส ร, ร้างสาธารณการชีวิตและสังคมยางได้อหนึ่งนะเช่นอาชีพแพทย์ บ, บัดโรคช่วยคนหป่วยไข้เพราะฉะนั้นอาชีพนั้นก็จะมีวัตถุประสงค์เฉพาะของมันที่ตรงไปตรงมานอัน น, ะนี้นก็เป็นตามกฎธรรมชาติใช่ไห้ตรงไปตรงมาได้ตามกฎธรรมชาติทีนี้อีกอันนึ่งก็ถือว่าให้เขาอยู่ได้ดีไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องอาหารการกินปัจจัยสก็มีผลตอบแทนค่าตอบแทนอะไรที่มา อันนี้เราก็เป็นกฎมนุษย์ที่เคยพูดเลยเราตกลงกันขึ้นมาเช่นแม้กระทั่งมีเงินเดือนมีการรับจ้างมีราชการมาทํางานนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนให้ค่าตอบแทนเท่านั้นอันนี้กฎมนุษย์ก็เพื่อสนุนให้คนได้ทํางานตามกฎธรรมชาติที่เป็นอาชีพนั้นได้ผมเต็มที่และสองอันเนี้ยเราเคยพูดกันแล้วนี่ว่ากฎมนุษย์มีขึ้นเพื่อมาช่วยหนุนให้การทํางานที่เป็นไปตามกฎธรรมชาตินั้นได้ผลดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นี่ถ้ามนุษย์ลืมมนุษย์ก็จะดูแค่กฎมนุษย์ก็จะหวังแค่ค่ตอบแทนรายได้ลืมกฎธรรมาาาานนนีควมกงรั้ทสํุ ง, งานนั้นก็จะไม่เกิดผลดีเพราะเป็นเพียงเงื่อนไขที่จะให้เขาได้ผลประโยชน์ที่ตงการการทำงานกลายเป็นเพียงเงื่อนไขเพราะในกมนุษย์นั้นการทางานคือเงื่อนไขที่จะให้ได้ผลตอบแทนแต่ในกฎธรรมชาติการทางานก็คือเพื่อผโดยตรงของมใชม่ที่เคยบอกแล้วการทาสวน<ม>การทสวนเป็นเหตุตามกฎธรรมชาติก็คือทาให้ต้นไม้จะเลยงอกงามเนัแล้นการเป็นแพทย์บำบัดรักษาโรค ก, ก็ทาให้คนไข้หายโรคอันนี้คือเหตุผมตรงไปตรงมาการทำนาทีแพย์ก็คือทำให้คนคาหายโรคมีสุขภาพดีการทำสวนก็คือต้นไม้จเลยงอกงามแล้วก็กมนุษย์ก็คือว่าเมื่อท่านประกอบอาช ้แต่ข้อตกลงมนุษย์ก็เลยเรียกว่าเป็นกฎสมมติเพราะขึ้นต่ขอตข้อตกลงเขาว่าสมมติสมมติแปลว่ามติร่วมกันสมมติแปลว่ามติร่วมกันข้อตกลงนั่นเองานั้นเรื่องของโลกมนุษย์มนุษย์นี่เดี๋ยวเป็นกฎสมมติแล้วก็จะมีกฎธรรมชาติถูกกันกฎมนุษย์เป็นกฎสม OT, มติกฎธรรมชาติเป็นกฎของสภาวธรรมตามาเป็นจริงมนุษย์ชราตั้งกฎสมมติมนุษยเพื่อให้การปฏิบัติการตามกฎธรรมชาติได้ผลจริงพอมนุษย์แปรแยกจากธรรมชาติปั๊บก็เก มันก็จะรอว่าไรงนจะมาตอนนี้ก็ทุกข์แหทงานก็ฝนใจในเต็ใจทาตัวเองก็ไม่มีความสุขแล้วก็งานของส่วนรวมงานของสังคมก็ไม่ได้ผลดีเพราะเําไม่ตั้งใจทาเขาก็หาทางหลีกเลี่ยงันี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งของอาชีพก็คือที่ว่าเราต้องทาอาชีพอะไรก็ต้องว่าอาชีพเรามีวัตถุประสงค์อะไรเป็นไปเพื่อผลดีอะไรแก่สังคมถ้าเราทํานั้นเราทาได้เราทำด้วยความรักเราจะมีความภูมิใจและมีความสุขเพราะโอ้เราได้ทำประโยชน์แก่สังคมมันแพทยเนี่ปั๊บทำก็ภูมิใจได้เลยแล ว่าอาชีพมันกินเวลาของเราตั้งเท่าไหน่งในสาส่วนใช่มในวันวันหนึงนี่อย่างน้อยนะอย่างน้อยอาชีพกินเวลาของเราเป็นหในสามส่วนเราจะเอาดีอะไรกับชีวิตเราต้องหาจากอาชีพด้วยแม้แต่ความสุขเราจะพักไปสปักประมาณแชั่วโมงหลายคนพักแชั่วโมงก็เหลือแค่สิหชั่วโมงกชั่วโมงหมดไปกางานอีกอย่างน้อยแหือทร่นม่จุกจกนี่ถ้าคนไม่ได้ความสุขเป็นต้นจากงานแล้วก็ชีวิตาาก็จะแย่ก็จะเหลือส่วนที่เป็นปนยชนชีวิตน้อยเหลือเกินท่านก็จะเอาอะไร แย่ yeah, แล้วดัง <c oughs> นั้นกานี้ก็เป็นหลักการทั่วไปก็เลยเราต้องพยายามปรับตัวให้ได้ความสุขในอาชีพก็สองก็คือว่าคนเราอยู่ในโลกการพัฒนาต้องทำชีวิตให้ดีขึ้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะตามหลักวิทยาศาสตร์สมันี้มนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกต้เรียนรู้ในเมื่อเราเดพัฒนาชีวิตของเราเราก็ต้องอาศัยอาชีพนี่แหละเป็นแรงพัฒนาชีวิตไม่ใช่เปนรอพัฒนาเวลาอื่นนะแต่ <Yeah. S 2> ถ้าเราใช้อาชีพในการพัฒนาชีวิตมันก็จะได้ทีเดียวเยอะเลยนะ yeah. คือใจใจมาตั้งมันก็จะเรียน มองว่าเออคนมันก็เป็นต่างกันในโลกนี้นจะเ่คนที่มองลูกค้าหรือมองคนไข้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมองแบบว่ารู้ตามความเป็นจริงไม่ได้มองกระทบตัวอย่ามองแบบชอบใจไม่ชอบใจถ้ามองชอบใจไม่ชอบใจก็กระทบตัวใช่เดี๋ยวกันยุ่งะก็เกิดใจคอตัวเองเป็นเศร้ามองเกิดเรื่องกัเขาอีกนี่นี่เรามองไปไกลเรียนรู้แล้วก็รู้ต้นต้นมนุษย์มรรกหลายนนจิตตงเป็นต่างกันนะแล้วก็เราก็มองเราเรียนรู้เออคนนี้ปนอย่าเี้คนนี้อย่างนั้นคนนี้มาฐานนี้คนนี้มาฝึกคนนี้มาดิ้นเพื่อเราเรียนรู้หมดสนกหมดเลยเน แพงเห็นถนน้าเกเวลาว่าจะชอบมานั่งมองที่ต่างๆมองเห็นคนเดินแล้วาก็หัวเราะหัวเราะดลาถ้าถามกันว่าหัวเราะทำไมมองเห็นคนเดินท่าทางต่างๆกันคนนี้ก็เดินยาคนนั้นก็เดินยาวนะคนนั้นเดินกมหนาคนนั้นเงยเดินาคนนี้เดินแคงซ้ายคนนั้นเดินแคงขวาเดินเร็วเดินช้าเหมือนกันเห็นแปลกๆก็หัวเราะเลยเลยเนี่ยนี่ถ้าเรามองโลกแบบนี้มันก็ขำเสนุกีตาคนนี้มาก็พูดไมดีแล้วก็เออนี่ก็ไปอย่างมาคนก็พูดดีแล้วก็อีกตาหนี่ก็ไปอย่างเนี่ยเราก็ไม่รันไปต่างๆกัน จุดมุ่งหายของเราเราจาเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตตนแล้วก็เรียนรู้ในแง่จะทำประโยชน์กันเขาด้วยคนที่เป็นต่างๆกันนี้ก็มีความต้องการต่างกันมีทุกมีสุัต่างกันเราจะช่วยเหลือเขา อ, อย่างไรแก้ปัญหาเขได้ อ, อ, อย่างไรนีถ้ามองอย่างนี้มองไม่แระพัฒน์ตนได้ดีแตพัฒนานีเราก็พัฒนาทางด้านความสัมพันธ์กับเพื่อมนุษย์ น, นีแล้วก็พัฒนาเรื่องการใช้กิริยาวาจาของเราฝึกการพูดของเราในการสัมพันธ์กับพื่มนุษย์ได้หมดนีแล้วก็หัดสิการพูดอย่างไงจึงจะได้ผลดีอะไปปมองาชีีพเเเ็นวลท่ราาต้องมหนนักเลยนี่เราก็จะไม่ใใส่่จเรืองนี้ แล้วทำให้เกิดความเบื่นายแล้วใจเราก็ไม่ดีเวลาพบดปาพูดอะไรก็อาจจะท่านพลาดไปพูดไม่ดีง่ายอารมณ์เสียง่ายใช่หมนี่พอมองอย่างนี้แล้วมันเรียนรู้มันได้เรื่อยลยก็สนุกแล้วก็ใจคอก็เบิกบานแจ่มใสนล้ก็มองโลกอย่างนี้ดีก็แปลว่าฝึกมองอาชีพการงานเป็นเวทีพัฒนาชีวิตเป็นเวทีฝึกอบมฝึกในด้านพฤติกรรมสัมพันธ์ตลกภายนอกกบสิแวดล้อมการจัดเข้าของการจัดระเบียบระบบอะไรต่างๆสถานที่แลการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์การสื่อจวาของเราแล้วก็มาฝึกได้จิตใจจิตใจทาไหนให้จิตใจร่า ว่าให้เราต้องมีปราโมทเสมอใช่ไหมทำพื้นจิตของชาวพุทธก็คือปราโมทใช่เคยบอกแล้วนี่มีห้คอ 1. ปราโมท 2. ปีติสปฏิสัมิ 4. สุขาสมาธิอันนี้ทำประจำใจชาวพุทธุเป็นวลาปฏิบัติรมจะดูความก้าวหน้าไี้5ตัวเนี่ยพระเจ้าจะจัดด้วยเลยว่าเออได้แม้แต่พิจารณาทำไตร่ตรองทำคนเดียวเนี่ยก็ได้ปราโมทปีติปฏิสัมภิสัุขสมาธิตัวแรกก็ปราโมททาใจให้ร่าเริงเบิกบานแจ่มใสพระเจ้าก็จัดไว้แล้วว่าผู้ที่มากเลยปรามทชื่อว่าอยู่ใกล้พันธ กินาไปก็ได้เพิ่มไปอิ่มากขึ้นทงานไปก็เหมือนกับได้เพิ่มพืนงานเพิ่มพื้นงานเพิ่มนกอไปเรื่อยๆิ่ใหญ่นะก็ได้บวกบกทางานอย่างนี้ก็ไม่เครียดนะพระมีบวกบและปฏิสมพัธกผ่อนคลายก็มาเองไม่มีความเครียดนะแล้วก็สุดก็มาแล้วจิตใจก็สงบตั้งมั่นก็สมาธิก็ตามาง่ายเนยแล้วก็เอา5ตัวที่ตั้งใจนีทางด้านใจเราจะได้เยอะเพราะเราตั้งใจไว้ดีและเราสัมพันธ์รุ่นมนุษย์เราก็สุดเมตตาได้สุดกุศลได้มี เจองานใหม่เจอสิ่งที่ต้องทารีิวเยก็มีจิตสำนึกในการฝึกตนว่าคนเราจะเอาดีได้ต้องพัฒนาตน้องฝึกตนเนเพราะนั้นอะไรทาให้เราได้ฝึกตัวมากก็เท่ากับเราได้มากใช่ไหมถ้าเจออะไรงานยากก็คือเราได้ฝึกตัวมากถ้างานมันง่ายมันก็ได้ฝึกตัวน้อยใช่เธรรมดาเนี่ยเชื่อไหมว่างานยากไม่ได้ฝึกตัวเองมากถ้าอย่างนั้นยิ่งงานยากเราก็ยิ่งได้มากนะค่ะติของคนนักฝึกตนเ้าก็บอกว่ายิ่งยากิ่ได้มากเพราะนั้นคนที่มีคตินี้ก็ไม่ทุกเจองานยากไม่กลัววิ่งเข้าใส่เลยนี่ถ้าคนมันไม่มี นัก็มีจิตสัมฤทการฝึกตนถือคติยิ่งยากยิ่งรงมาพยิ่งยากยิ่งแรงมาก็มีความเพียรเจอแรงใจสู้ใจสู้ความเพียรก็มาความเพียรก็จะทำให้สำเร็จงานนี้จะต้องเอาชนะทำให้สาเร็จให้ได้เขามีวิริยะขันติความอดทนก็มาแล้ววินัยในตัวเองก็มาความเข้มแข็งก็มาเวลาทางานก็ต้องสุขสติสติก็มาเราใจชอบทำงานดีสมาธิก็มาอีกนะดังนั้นก็สุดได้หมดจิตแด้วก็สุขก็ได้ด้วยได้หมดคุณธรามก็ได้สมรรถภาพจิตใจก็ได้ความสุขได้า ก็พัฒนาปัญญาพัฒนาความคิดนั่นอาชีพการงานก็เป็นแดนพัฒนาหมดเลยถ้าพูดภาษาไทยเราก็คือพัฒนาศีรพัฒนา ส, านสมาธิพัฒนาปัญญาใช่ไหมได้หมดโดยเฉพาะปัญญาเนี่ยมันโดยตรงเพราอารชีพการงานมันจะต้องเร่งรามันต้องมีการหาความรู้คิดเรื่องใหม่ๆการสร้างสรรค์ใหม่ๆที่แก้ปัญหาให้สาเร็จนั่นก็ถ้าเราใช้การงานเป็นเวทีพัฒนาปัญญามันก็ได้เต็มที่แล้วก็มาผสมผสานกันให้มันได้ไปด้กันทั้งหมดก็ตกลงว่าอาชีพการงานเป็นเวทีพัฒนาชีวิตเป็นเวทีสุดตน น, นนี่ก็ได้แล้ว น, นี่ ถ้ า, าทด้วยใจรักมีความใยรักชอบสิ่งนั้นแล้วก็ได้ไปเึ่้วนะงานในธารักงานนั้นก็ต้องทำด้วยความรักงานทางานที่ใจรักเห็นคุณค่าในความรักนีมาตัวจถูกนิสัยด้วยแล้วก็เห็นคุณ ค, ค่คณาาเห็นว่ า, างานนี้มีคุณค่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับชีวิตเป็นประโยชน์กับ ส, ส, ส, สังคมเราทแล้วได้สร้างสรรค์สังคมได้าเป็นประโยชน์ได้มากเราก็เกิดความรักความพอใจไอ้ตัวนี้ก็เป็นที่มาความสุขแล้วก็ทาให้เกิดวิญาความเพียรความเพียรพยายามนะพยายามทำแล้วก็ใจสู้ไม่ถอยไอ้ตัวเนี้ยมีวิญ้าณมาจากดิระวิระแบบ แลก็จิตตะจิตตะก็คือเอาใจฝักไฟอุทิศตัวอุทิใจในเรื่องนั้นนแล้วใครทางานแบบอุทิศตัวใจก็เรียกว่ามีจิตตะแล้วตรงตัวแลจิตตะกใจก็คืออุทิใจอุทิศตัวให้มันนี่ถ้าเราทำงานอะไจริงๆแล้วเราอุทิศตัวใจมันก็ทาได้ผลแล้วมีวิบังศาก็ตงมีความเพียรต้องมีปัญญาไปไม่รอดก็ต้องมีปัญญาปัญญานี่ก็ไม่ใช่แค่รู้ใช่ปัญญาแค่รู้ไม่พอปัญญาต้องปัญญาที่รู้จักพิจารณาไตรตรองทดลองสอบสวนคิดแก้ไขปรับปรุงนี่วินังะ จะปรับรุงะแก้ไขยังไงจะทำยางนั้นจะดีไม่เนี่ยนะนี่ก็คือทางของวิบังสาก็ทำให้เกิดการปรับรุงเลยนไม่อยู่กับที่แล้ก็ได้สตัวมันก็พัฒนาแน่ไปสู่ามสำเร็จฉันทาวิจิตตาวิมังสานรักงานสู้งานนแล้วก็อะไไฟใจในงานนั่เรื่องเอาใจใส่งานอย่างน้อยนะถ้าอย่างสูงก็อุที่ตัวทีใจกันแล้วก็ทางานด้วยปัญญานอันนี้ก็ชุดนี้ก็ทำงานสาเร็จแต่ว่าไม่ช่แค่นี้ที่ทางานหลายอย่างชุดหนึ่งที่สาคัญก็คือชุดพลังนีชุดพละพละสพละนี่มีหลาย ก็มีหนุงปัญญาพลังกำลังปัญญากาลังปัญญาก็เริ่มแต่เมื่อจะทำงานอะไรต้องรู้เข้าใจงานนั้นมีความชัดเจนไอตัวควาชัดเจนสำคัานะปัญญามันเป็นตัวที่ว่ารู้แล้วแต่ชัดถ้ารู้อะไรไม่ชัดุกๆเือสับสนอยู่นี่ยางเดียัญญานนี่ถ้าใครทำอะไรมันไม่ชัดนี่หวังผลสำเร็จได้น้อยนะทำอะไรต้องชัดเพราะนั้นมีเรื่องอะไรยังไม่ชัดต้องค้นต้อคว้าต้องหาให้มันชัดได้เนไอความชัดในตัวสำคัญเลยมันทาให้เป็นตัวตัดสินความสำเร็จมากทีเดียวเนีปัญญารู้ชัดเจนน ก็อยราน้อยงานอาีของเรานี่ต้องรู้ชัดแล้วก็ต้องหาความรูู้ใช่ท่านต้องต้องหาความรู้ตอไปยชัดในการหาความรู้แก้ปัญหาก็ดีหาความรู้เพิ่มเติมในสายวิชาของตัวเองก็ดีเนี่ยอกับวิทยาพลังกาลังความเพียรอันนี้ก็ที่วาไปแล้วก็ถือต้องมีความเพียรพยายามอย่างน้อยทางานกัตัวเองไม่ให้บกพร่องนได้ใช้ความเพียรพยายามเหมาะสมกับงานแล้วไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจหรือปลัดละเลยใช่ก็หมายความว่าทาหน้าที่ไม่บกพร่องท่านหนึ่งต้องมีวารู้งานเข้าใจงานดี2ก็ทหน้าที่ไม่บกพร่องเพราะคนที่มีความเพีย ว่ากำลังความสุจริตหมว่าถ้าใช้สับทั่วไปก็เรียกมือสะอาดทํางานนั้นแล้วเราไม่มีข้อบกพร่องเมื่อทํางานอะไรเราอาชีพของเราไม่มีข้อบกพร่องนีเรามีความมั่นใจตัวเองแล้วเราทํางานของเราได้เต็มที่เมื่อกั้นเรามีลำบะเราก็จุดอ่อนนี้ขึ้นมาเราก็ทำลำบะเนี่ยนี่คนที่ไม่มีจุดอ่อนไม่มีข้อบกพร่องอะไรเนี่ยมันก็ทํางานได้ความมั่นใจเนี่ยทำได้เต็มที่แล้วก็มีความมั่นคงตัวเองด้วยแล้วก็ข้อสี่เรียกวัาสังขารพลังเรากำลังการส่งเคราะห์การส่งเคราะห์กับการดุจเหนียวจิตใจคนและภาษาหมู่ชนสังข วเดียวกันนะสังหรืสังเคราะห์สังเคราะห์อะไรสังเคราะห์ก็ตัวจับมันแปลว่าจับรวมเข้าวกันน่สังขาจับรวมเข้าดวกันที่สังเคราะห์ก็กลายเป็นว่าเอาองค์ประกอบบางอย่างเนี่ยเอามาจับรวมขึ้นมาแล้วก็เกิดผลใหม่ใช่ไหมเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นสารเคมีอะไอยางไ่ก็แล้วแต่เราเรียกเป็นสังเคราะห์แต่ที่จริงสาท่านสังก็คือการทำให้รวมกันได้วามหมายคือว่าเราอยู่ที่ไหนเราต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดีเราต้องยึดเหนี่ยวใจคนได้ทีนี้คนที่จะเกี่ยวข้องเราก็มีสามระด น <weet Smash and cookies> ี่ถ้าเก่งจริงต้องได้ทั้งสามขั้นต้องไ้ทบตัวตัวเองก็ได้ทบหมบางคนถนัดดูกับคนสูงกว่าเจ้านายรักแต่เพื่อนเกียดตังเลยบางคนก็ทางานไปกันได้กับเพื่อนเล้วภู้ควาปชาเกลียดบางคนก็ไปก็ได้กับลูกน้องแต่ว่าไปกันไม่ได้กับูมคชาอะไรเงี้ยเป็นไปต่างๆนี่ถ้าเก่งจริงนี่ก็ต้องฝึกตัวเองเอางานเป็นเวทีฝึกตัวเองให้เขาได้ทั้งอย่างเลยถ้าได้ก็เก่งวาเหนี่ยวใจสมพรได้หมดอันี้ยดเหนี่ยวใจแล้วก็ไม่ใช่ยึดเหนียวใจเพื่อประโยชน์ตัว เตใหสังคมเสียต้องช่วยสร้างสรสัาได้สังาตัวนี้ท่านแว่าประสานชุมชนหมู่ชนกหมายควมช่วยให้ชุมชนที่ทำงานงานของเราเนี่ยมีกำลังเข้มแข็งด้วยกำลังความสามัคคีไอสังขารตัวนี้เป็นคที่เป็นไวพ์นนี่ว่าสามัคคีถ้าเรารู้จักนิดเดียวใจคนให้ดีก็คือสร้างความสามัคคีในวงงานให้คนเนี่ยเข้ากันได้ร่วมแรงร่วมใจการเกิดพลังน ในการเกิดสามาคีก็ทำให้หน่วยงาน เ, ร า, เรามีลังที่แข็งแรงจะทอะไรก็ได้รับการรวมมือกันก็สเร็จตอนน้นก็เป็นสภาพเอือ้อเมื่อเกิดาสามาคีแล้วไม่มีความลฉานไม่หวระแวงกันไม่โมกระทบกระทั่งกั น, ก น, กนมันมาช่วยเหลือกันดีมันก็เป็นสภาพเอื้อให้แต่ละคนพัฒนาชีวิตตัวเองได้ดีด้วยสามาคีีใ น, ในทางพระท่านไม่ได้มุ่งจะพว่าให้สุดรวมมีกำลังนะแต่เพื่อสร้างให้พว่าประโยชน์ของสังคมแลอชุมชนก็คือชุมชนและสังคมนั้นมันเป็นสภาพแวดล้อมที่ว่าถ้า ม, มันดีแล้วมันจะเอื้อให สี่ทวอี ท, วทีวั น, น่งปัญญาพลังกำลังปายยาัญญาวิญพลังกำลังความเพียรสามอนวัตพลังกาลังความสุจริตนะและกสสังหาพลังกำลังการสงเคราะห์ถ้าไปสงเคราะห์แล้วีก็เข้าใจผิดนึกว่าไปช่วยเขาที่ตกทุกข์ได้ยากนะสงเคราะห์ในที่นี้วดเดียวคนไว้ให้ประสานสามวีกันกะ็สข้อถ้ารีบพูดพง่ายๆว่าอะไรรู้งานดนะีทำหน้าที่ม่บกคลนะมือสะอาด ไม่ขาดมนุษย์เมพันธ์เอาละอันนี้ก็เป็นความหมายง่ายๆอย่างหนึ่งน่ไปทางานก็ต้องนึกในแง่นี้เลย่างคนเก่งจริงๆทำงานดีแหมมีระเบียบในงานและทำงานตั้งใจไม่มีถอยเลยนผงานมีประสิทธิภาพแต่ว่าเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ก็ต้องมาอดถุอีกทั้งานที่ท่างานดีแต่ว่าทำไมมันไม่ก้าหน่ะใช่หเนี่ยมันก็มีต่างบางคนก็มนุษยสัีมพันธ์ดีแต่ว่างานตัวงานไม่ค่อยดีนี่ก็ต้องท่นต้ยาาว่าให้ปรับปรุงตัวให้ดีให้ครบอ้าวนี่ก็เป็นเรื่องของงานที่นี้สังหาพลังกำลังการสงครามหรือประสาน สี่พ่อเอาหนึ่งหนึ่งทานหนึ่งทานก็ิดการให้นะการให้ก็มีการให้เพื่อแผแบ่งปันด้วยเมตตาเนะีมีน้ําใจต่อกันแล้วก็ให้ด้วยกรุณาก็คือเมื่อเขามีความทุกข์ก็ให้เพื่อช่วยเหลือแล้วก็ให้ดีมุทิตาก็คือเมื่อเขาประสบความสำเร็จหรือจะทำอะไรที่ดีงามเราให้กำลังสนับสนุนนะนี่ให้เดมีมติตาก็ต่อไปก็พูดปิย a w a n j ใช่ไหมปิย a w a n j ก็เช่นเดียวกันดูการตามปกติก็ปิย a w a n j ด้วยมเมตามาตาปกติก็พูดดีได้ไมตรีก็สุภาพอ่อนหวานพูดอย่างมีน้ําใจเมื่อเขาทุ ก, กปิยวววัจจาาาแ บ, บ่พูดอโนนนะนํีแกัา นะี่เรีาาารยกปิยวจาได้รยนะถ้าเขาประสบความสำเร็จนะหรือทำสิ่งที่ดีงามก็พูดให้กำลังใจสนับสนุนหรือว่าแสดงความดีดีด้วยอย่างนี้เรียกว่าพูดปิยวาจาได้มูธิตาใช่ไหมทีนี้ก็ต่อไปข้อที่3ก็อัจริยาทำประโยชน์ให้แกขเขาด้วยควาเป็นประโยชน์อันนี้ก็เท่าเดียวกันหนึ่งอยู่ปกติเขาไม่มีทุกข์เดือดร้อนก็มีเมตตามมตียตต่อทุกคนก็ช่วยเหลือเกิดกลุกันด้วยเมตตามมตียตินะฮะไปมีของอะไรช่วยกันถือได้กันอกไปนะอยู่ในที่ทำ ง, งานมีอะไรจะช่วยกันได้ กรุณาเนเป็นคนตกน้าคนติดในลิฟไ่นีเป็นต้นนะหรือเป็นทุกอะไรก็แล้วแต่คือคนไม่มีกำลังเป็นป่วยเป็นไข้แล้วก็ช่วยด้วยกรุณาแัวอิยามานเป็นเรื่องของการเอาเร่รเขาช่วยใช่อันที่มันให้สิ่งของหรือแม้จะให้ความรู้เอาสิ่งของหรือเงินทองสิ่งของความรู้ให้นี่เรียกวข้อที่หนึ่งข้อที่ช่วยด้ยถําคําพูดช่วยเขา3ช่วยเร่งแรงกำลังความสามารถเนยิยาแล้วก็3ข้อแล้วก็ก็ทได้ไม่ตายกรุณาบุตรตาครบแล้วแต่ละอย่างน สังหาวัตถุเป็นภาพแสดงออกมันออกกันเลยพอผมีหา่ในใจก็แสดงออกสัรวัตถุส่ทีนี้พอไปถึงข้อสก็คือสมานตตาสมานตตาเรามีตนเสมอมีตนเสมอเสมอนี่ภาษาพระเสมอแลอะไรเนี่ยเสมอมาคาาสมานเสมอสมานภาษาพระสมานะเราเสมอทาสมานแปลว่าเสมอเสมอของพระเป็นเสมอแบบเข้ากันทีนี้เสมอปัจจุบันเป็นเสมอภาพแบบเยี่ยงกันให้ดูนะสมัยเนี้ยมีแนวโน้มเป็นเสมอภาพแบบเย่งกันได้เท่าไหร่ได้สิบเอออีกพาตไดสิวยว่างั้นนี่คือครเพิไปจ้องว่าเสมอภาพแบบนี้ว่าเท่ากันได้ไหมแบบนี้แบบลัทธิ และที่แข่งขันและการแ่งแย่งแบ่งแยกนะที น, ะนี้เสมอเขาทานก็คือว่าเออเขาทุกเราก็ทุกด้วยเขาสุเราก็สุกด้วยท่านเรียกว่ามีสุขทุกเสมอกันนะไม่ใช่ว่าเขาทุกเราไม่เสมอด้วยเลยใช่ไหนี่เท่าเขาทุกเราเสมอในทุกก็หมายความว่าเราร่วมทุกใช่การอย่างนี้ท่านเรียกสมานะสุขทุกขตาว่าเสมอในสุขและทุก็ือรสุดรวมทุกนะันั้นสมัยของท่านเนี่ยมุ่งไปในทางความสามัคคีเสมอเพื่อร่วมกันนะดังั้นคำว่าเสมอของพระเนี่ยมาจากคำว่าสมานะสมานะก็เสมอแล้วก็แปลเป็นไทยแปลเสมอว่าสม สมานก็คือทำให้มันเข้ากันได้รวมปึนกันเมื่อมันเสมอมันก็เข้ากันได้เพราะฉะนั้นสมานตาตาบางท่านก็แปลว่าทตัวให้เข้ากันได้ทตัวให้เสมอกันหมายความว่าเสมอแบบไหนมันนอกจากเสมอในสุขรวมสุขก็เสมอแบบสมานากันเสมอไม่ดูถูกดูหมิ่นกันอาเสมอไม่ดูถูกดูหมิ่นกันก็สมานกันใช่เสมอแบบไม่เดี๋ยวเมื่อกี้บอกไม่ดูถูกดูหมิ่นกันไม่หยิบยาวกันแล้วก็เสมอไม่เอาละเเปรียบกันเมื small, small, ่อเสมอไม่เอาละเเปรียบกันมันก็ทาให้สมานใช่ไมเนี่ยมันก็สามีกันแล้วก็เสมอแบบไม่ดื้อกัน เรามองเหมือนกันหมดเป็นพื่นเหมือนกันไม่ใช่ว่าเอาคนนี้ผคนโน้นใช่ที่เขาเรียกเือทีรักมากที่ทางเนี่ยเสมอแบบนี้เป็นเสมอแบบสมานหมดใช่น่เอาละหนึ่งไม่ดูถูกเดียวกันสองไม่เอาละเียบกัน3ไม่เทีรักผลทิชังแล้วก็่รวมสุขรมกเสมอในสุกระทุกอย่างนี้สมานหมดใช่เสมอแบบนี้ไม่มีปัญหาเลยเสมอแบบปัจจุบันนี้มัจะเป็นสมมถืธุรกิจคอยมองดูว่าแกได้เท่าไหร่แล้วก็ค่าได้เทนั้นไหมใช่แล้วก็คอแย่งกันเลยยแล้วไม่มีความสามัคคีเนี่ยใจมันไม่เอาคอยระแวงระแวง แต่จะเพียงว่าท่านตื่นว่าอย่างคือสังคมที่ดีเนี่ยช่วยเหลือกันหนช่วยเหลือกันนะมันก็ทําให้เรานอนใจได้หวังว่าเออไม่เป็นไรถึงระบาดทุกอยาก่างก็มีคนช่วยมาเดือดร้อนหนึ่งะนะสองมันสบายเป็นสังคมที่ไม่ค่อยเดือดร้อนมันสบายไอ้ความสุขสบายอย่างหนึ่งแลการช่วยเหลือกันดีอย่างหนึง่งมันเป็นปันใจจัยแห่งความประมาทเพราะนั้นสังคมที่อยู่กันดีช่วยเหลือกันดีและมีความสุขสบายจะเป็นสังคมที่มีความโน้มเอียงไปในทางประมาทและอันนี้จะต้องระวังพระพุทธเจ้าจึงย้าสุดท้ายว่าต้องไม่ประมาทเพราะว่าพอช เราเป็นในทุกอย่างเดือดร้อนก็หมือนไปหาผู้ใหญ่ได้ไปหาคนโนนคนนี้ได้ไปหวังเพ่อนยืเพื่อนได้อะไรเนี่ยมันก็เลยแย่มันไม่เหมือนสังคมังที่หวังพึ่งแ่าตใช่ไหมกตมันก็ทาให้แต่ละคนนี่ประมาทไม่ได้ต้องระงัตัวเองล้วก็ต้องระวังเรื่องการช่วยเหลือกันต้องให้สมเหตุสมผลก็จึงมีอุเบกขาเขาอุเบกขาในทึงารับกับสมานตาอุเบกขาในภคิหารก็คือรักษาวรักษาธรรมรักษาความถูกต้องรักษาความสมเหตุสมผลอ่าอเขารักษาความสมเหตุสมผลก็คือไม่ช่วยมา ก็รักษาธรรมไว้รักษาความถูกต้องความสมควรตามเหตุผลไว้สมานนักตาก็มาช่วยอีกรักษาธรรมะ เ, เวลาเกิดเรื่องกันก็สมานนักตาก็มีความเส ม, มอภาคใช่มก็อาศาาอัยเบรผานี่แหละมาประสานกันก็ครบวมมิหาร่สารตถุสี่เก็ตกลงงานตอนนี้ก็มาคุมด้วยความไม่ประมาวว่าเราจะต้องมีความไม่ประมาทางชีวิตของเราการงานอะต่างของเรานี่หนึ่งมีความสุข2มีความสาเร็จสาแม้แต่ว่าได้ช่วาทาดีแล้วจะมีความน้องเองที่จะเฉยเนี่ะพอสุขสบายก็มีความเฉยขึ้นมารันจะไม่กติลลิลน์แล้วฉันไม่เร่งรัดเพราะว่าถ้าทุก มีภัยมาพุกขามก็ต้องหาทางที่จะออกไปให้ได้หาทางออกนี่พอมันสบายไม่มีภัยอันตา ย, ายไม่มีทุกข์บีบคัน้นมันก็เลยโน้มเอียงไปทางที่ว่าช่วยแล้วก็นอนแล้วก็ผัดเพี้ยนก็เป็นความประมาททันั้นก็ต้องเอาไว้ตัวนี้ระวังการช่วยเหลือกันต้องระวังแล้วก็ความสุขความสเมาเร็จการที่ทําอะไรได้ดีแล้วนี่ต้องระวังหมดอย่าให้เป็นเหตุให้เกิดความประมาทนะนั้นแม้แต่พระอริยบุคคลปฏิบัติทํามไปพุทธเจ้าตัถ้าปฏิบัติทําไปเก้าหน้าโดยภาคพอใจว่าโอ้เราได้ก้าหน้าในการปฏิบัติมาอย่างนี้นะพอคิดไปอย่างนนีี้้้้้้ะักกาาาาาาาวววววหมมแแลล็็คปรรรสสบํํเเจทไดดชย ชักผลงแล้วพระเจ้าเตือนทันทีเลยนะเธอประมาทแล้ ว, วเราไม่สนับสนุนแม้แต่ความอ้างมั่นอยู่ได้หรือคงอยู่ได้ในกุศลธรรมทั้งหลายพเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงความเสื่อมถอยจากกุศลธรรมหมายความว่าไม่สนับสนุนแนะ่แม้แต่ว่าความคงที่อยู่ได้ก็ยังไม่สนับสนุนเราสนับสนุนอย่างเดียวแต่ความก้าวต่อไปนะในกุศลธรรมทั้งหลายนี่พระเจ้าจัดประจําไม่ดีเลยนะครับมาไทยก็พอไม่ประมาทนะสังคมไทยนี่เป็นสังคมที่หนึ่งช่วยเหลือกันดีมีน้าใจ2ก็สุขสบายไม่เคยมีทุกข์วิตกหน่อยทุกข์ข่าวภัยน้อย เหตุสคัญของสังคมไทยที่ทาให้ไม่เจริญการนาเท่าที่ควรเพราะความประมาทนไม่คยตีรุนไม่เยเร่งรัดอะไรนี่สังคมที่เจริญกานามากเพราะไม่ประมาทใช่เร่งรัดแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ประมาทที่แท้หรอกแต่ว่ามันเป็นไม่ประมาทเพราะถูกบีบพันธ์ใช่ไระบกแข่งขันมันบีบเนถ้าแกไม่ทางานแกไม่ช่วยตัวเองไม่มีใครด้วยเนยตายว่างั้นะนั้นก็เลย้ดิ้นะนั้นก็เลยมัต้องไม่ประมาทอาการแสดงออกก็คือดิ้นรนขนฝายทีนี้ของเราที่ไม่ประมาทที่แท้ก็คือว่าโดยสติปัญญาและ คุณธรรมคือความดีงามในจิตใจความรู้เหตุรู้ผลเรามีสติเตือนตอนให้ไม่ประมาทพอเราสุขสำเร็จทาดีแล้วช่วยเหลือดันดีแต่วนยาปล่อยประมาทนก็เตือนตนนี่ก็เป็นหลักอย่างหนึ่งในกะารทงนานเพราะวต้องใช้ทั้งตัวเองแล้วก็ต้งใช้ั้งเรื่องของชุมชนหน่วยงานเขาเราด้วยะหนว่วยงานเองก็จะอประมาทเีโดยเฉพาะผู้นำนี่ผู้นาประเทศผู้นํในการบริหารผู้นาชุมชนทุกชุมชนแม่แต่ครอบครัวจะต้องเป็นผู้นาที่คอยกระตุ้นหาอะไรเป็นอุบายมาทำให้คนในชุมชนโน้มตัวหรือในความรับปิดชอบตัวเองไม่ประมาทเนี่ยอย่างผู้นำประเทศเ น, นีกกรร่ยก ผู้นำก็จะต้องหาอุบายหาวิธีการกระตุ้นเพื่อคนไม่ประมาทชุมชนทีท่ทางานของเราก็เหมือนกันเราจะต้องมีวิธีการที่จะทําให้คนไม่ประมาอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่วิธีการที่จะกระตุ้นให้คนไม่ไปรมาและในครอบครัก็เหมือนกันผู้นำหัวหน้าคูอบคต้องหาวิธีการมาทําให้คนไม่ปรมารวมตั้งแต่ตัวเองไปนล้วก็จะเจอกันไปบอกว่าเนี่ยพระมหากษัตริย์ราชาต้องไม่ประมาทถ้าราชาประมาทแล้วมันประมาทก็เปท่านถึงชาวบ้านเลยหมดแล้วแหวนแพร่งกระเสือมเออตัวนี้ก็เป็นด้านหนึ่งของการทางานท คิดก็ไปได้ดีอย่างน้อยก็ทจิตใจของเราให้ดีวามใจให้ถูกนะหรื อ, อยังจักรสีมาใช้ได้ใช่จักรสีดแล้ย่างย่างเลยจักรสีน ะ, นะจักรล้อนะรถมีรถดนมี4ลนะอ้อนะพทธิแจัดไว้พอดีนะบอกว่าธรรมะมนล้อสล้อที่นำพาณะไปสู่จุดหมายนะรถมีครบสีล้อแล้วหมุนทล่องดีนะก็จะนำไปสู่ความสำเร็จได้นี่คนเราก็ควรจะมี4ล้อเรามี4ล้ออยู่แล้วสล้อทุกที่1ก็คื อ, อยืนเดินนั่งนอนชีวิตของเราปกติมันดไปได้เราจบริหารอิยาบถให้พอดีให้ครบสี่ล เป็นศวนที่ไปบริหารอิรยาบท4ี่อยาบถ <c oughs> คนเราเนี่ยชีวิตอยู่ได้นใน4ี่รยาบถนี้นะี่ลอ้อทำให้ดนะีเพราะฉะนั้นชีวิตการร่างกายเราก็าบริหารอสอาบถได้ดีเนี่ยก็มีหวังว่าสุขภาพจะไปได้ดีทีนี้4ลอ้อนอกไม่พอท่านให้ี่ลอ้อในอีกสีลอ้อในก็มีเนี่ยเรียกว่าจับจสี่ทเหมือนจับสี่หปฏิรูปรเทสะวัตอยู่ในถินที่เหมาะอยู่ในถินที่เหมาะหมายความว่าทำในสิ่งแวดล้อมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนี่ต้องให้มันดะีถ้ามันเป็นทินที่ จต่ไปเกิดในป่าแอาฟริกาอะไรเงี้ยใช่หมมันก็ไอความดีงามความสามารถสติภาพก็ไม่สามารถพัฒนาได้นั้นก็ต้องอยู่ในถิ่นที่เหมาะประูปรเทวรศาสตร์ที่ใช้ได้ทุกระ้เกิดก็ดูในถิ่นที่เหมาะไม่งั้นก็ต้องจัดพืนที่ตัวอยู่ให้เหมาะเช่นที่ทา ง, งานอะไรันี่จัดให้เป็นที่ที่เหมาะสมกการทา ง, งานให้า ง, งานได้ผดีหน้าทำ ง, งานเป็นสาวสวยนี่อะไรตัวอนี่ปฏิป ร, ร, รูปเทวสารศาสตร์นะอากเป็นนักเรียนไปดูในถิ่นที่เต็มด้วยวายมุกอะรอะไรมีเพื่อนมันก็มีฐานที่จัดชุดแข็งทุน อย่ในทีนี่น่เป็นคนที่ชอบเสวะหาปัญญาความรู้อะไรเราก็ลอยได้ถ้าเป็นทีมสมาร์ทีเมาเราก็พลอยมีทางที่จะคุยได้้ก็ทาเราก็เลือกคบหาเองด้วยไม่ใช่รอจะให้สิ่งรมันชักไปเก็เลือกคบหาคนคนที่จะมีสติปัญญาคนที่มีคุณธรรมคนที่จะช่วยให้เราก้าวหน้าในการงานอาชีพหรือในการศึกษาเราเรียนใช่ไหมก็ค้นหาคนอย่างนี้สเสาะเสนาคนทีนะ่แล้วก็สามธ น, นิวาสแต่บวัน้ที่แปลว่าตั้งตัวตั้งคนว่าชอบแตามศัพท์ต้งตไม่ชอบหมาความว่าตั้งเข็มแนวทางชีวิต ว่าเราทำงานอาชีพนี้เรามีจุดหมายอย่างไรนะเป็นจุดหมายเพื่อชีวิตเพื่อสังคมอย่างไรเนี่ยนะชัดคนทำงานไม่มีจุดหมายนี่ขาดเี่ยวแรงและทิศทางก็ยากนี่ตั้งจุดหมายไว้แล้วเดินทางมั่นในแถนนั้นห้สู่จุดหมายไม่เวมีสิ่งล่เราด้วยยวนชักจูงไม่ถลานะไม่ถล้ำไม่ทะเลถลายนะก็นี่เรียกว่าตั้งตัวให้ถูกที่มั่นในแนวทางไปสู่จุดหมายนะแล้วก็สี่เรียกว่าภูเพกะตาภูตามีบุญได้ทําวาจะปางก่อนอันนี้ก็หมายความว่า น, นี้มันมีทุนดีสองระดับทุนดีเกิดมาดีร่างกายแข็งแรง แลางคนเกิดมาในจุปุดีรํำรวยไปเลยบางคนเกิดมายาดเกินนะบางคนเกิดมามีสติปัญญาดีบางคนเกิดมาทุอะไรอย่างเงี้ยในวันทุนเดิมบุญเก่าก็บุญเก่าก็ดูแต่ตอนเกิดนี่เอาละบุญเกิดตอนหนึ่งถ้าทุนดีแต่เกิดมันก็มีโอกาสที่จะไปดีๆเยอะใช่ไมฮะนี่สองทุนที่เราจะต้องทำต่อไปเพราะว่าปัจจุบันจะเป็นอดีตเลยไปเพราะฉะนั้นวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นอดีตเดือนนี้เดือนหน้าเดี๋ยวเป็นอดีตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำวัในวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นอดีตจะเป็นทุนเก่าหมดนะสิ ตอนนี้ทุกคนจะต้องเตรียมทุนดีสำหรับอนาคตด้วยการทำปัจจุบันเรียนไม่นี่เรความไม่ประมาทเราใช้อีกนะเตรียมใช้เวลาสร้างทุนดีคนที่ไปเทเรียนเล่าเรียนศึกษานี่ก็คือการสร้างทุนแลพัฒนาฝึกตัวเองให้มันพร้อมไว้พอมีโอกาสช่องมาจังหวะมาปั๊บได้ทันทีเลยถ้าเราไม่เตรียมทุนให้ดีโอกาสมาจังหวะมาช่องมาปั๊บไม่พร้อมแล้วไปไม่ได้ใช่มระนั้นเดี๋ยวไปนึกว่าเอออันนี้เราไม่ต้องใช้แล้แต่รยนไม่เตรียมไม่ได้เรีอนไม่พร้อมไว้ทุนดีเตรียมไว้ข้อสก็คือมีทุนด เรามาขนขวานทุนดีใหม่กำลงงังอไเจ้าคนทุนดีเก่าดีบุญเก่าดีเกิดมาสวยอ่ะเสร็จแล้วประมาทซะนี่ให้คนทุนเก่าบุญเก่าไม่ดีรูปร่างคีเล่ไอ้เจ้าคีเร่มันไ ม, ม่ประมาทนั่นบอกเออแกไอ้เจ้ า, ารูปร่างสวยนี่มันได้โอกาสได้เปรียบเราใช่ไหมแต่ว่าเรานี่แย่ถ้าเราไม่ดีขนขวายเราไม่ไหวงั้นเจ้าคนนี้ที่มาสวย ร, ร่างกายมานดีนี่มาทำหนึ่งเราต้องทำสองทุกคนนะหรือมันทำห น, นึ่งเราต้องทำสิบใช่ไามไอ้เจ้านี่ไม่ประมาททั้งท่าที่รูปร่างคีเระดั ทุนดีเตรียมไว้ทุนเดิมเตาน่าที่เกิดถ้ารู้จักใช้อคนนี้ก็สบายไปเลยใช่รู้จักมีน ม, ม, มีทอง้ำรวยลู้ร่างสวยงามอะไรเนี่ยปัญญาก็ดีเออแล้วไม่ประมาทด้วยก็ดึงเดินน่ะแต่ว่าถ้ามาเกิดประมาทซะมัก็ไม่ได้ผลฉะนั้นคนเตรียมทุนดีไห่ก็ไม่กลัวเมือไร่นนะฮะเราก็พัฒนาเ ต, าต็มที่อย่างที่ว่าแล้ ว, วคนเกิดมันต้วยไม่ต้องทาอเคยบอกว่าไม่มีใครเสียเปรียยเปลี่ยนโดยสมบูร์หรือสมบูรณ์ไม่มีใครได้เปลี่ยนเสียเปี่ยโดยสมบูร์เพราะฉะนั้นคนจนก็ได้เปลี่ยนคนรวยก เดไม่ได้ดนแล้วคนรวยจนนมากพรแม่พอตามใจจนนเอทำอะไรไม่เป็นแล้วถ้ออนแอใช่แล้วาคนจนบางทีถ้าคิดเป็นท่าเรียกว่ามีโยนิสงสิการาเกลาความจนไม่ใช่ประโยชน์ว่าเรามนจนเกิดมาใช่เขาใช้ความเพียงในรถต้องใช้ความพิสิทธิ์ของัง น, นั้นมันก็สู้เต็มที่เยขาทำหนึ่งเราทำสิบใช่ไหมที่สุดไอ้คนจนก็เลยเดินหน้าพัฒนาดัง น, นั้นใช้หลักคุธศาสนาโยนิสงสกาแล้ไม่ัเท่านั้นเนีความได้เรียสีเปรียบคามจนความแรงแค้นมีทุกข์ก็ได้ประโยชน์ทุกข S <S มันก็ไม่ได้เรียนรู้มากมันได้สูกตัวเองว่ามีทุกมากมีปัญหามากก็ยิ่งเสูดด่คิดได้พัฒนาเาาว่างานนี้เรียกว่าโดนีสสิธิการตรลงก็ต้องทชยขนาดนึงคือโดนสงสิทธิการนะไปทงานทช้ตลอดเลยโดนสสิทธิการเนี่ยมันแปล ว, ว่าการคิดเดียบยักถายใช่ไมมันมีหลัก2องอย่างคือมันมีวิธีเยอะแต่รวมแล้วมันมีสแบบคือ ห, หาความจรงิงเนียโดนีสสิทธิการแบบหงก็คือหาความจรงิงไม่ว่าอยังไงจะคิดหาวิธีเอาวิเคราะห์ยแยกแยะรู้สื่อสาวเหตุปัจจัยหรืออย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็เป็นเร เขาด่าก็ต้องหาประโยชน์จะทำาเได้นี่ก็กตเหมือนกันึกโยนสมรการก็ต้องใช้หลักนี่เจออะไรในทุกสถานการณ์หาประโยชน์ได้แล้วดูตัวเองหาได้หมนะเพราะฉะนั้นทางพุทธศาสนาที่หาประโยชน์ได้หมดความตายเราหาประโยชน์ได้เนี่ยบาท่านเราเป็นพระานเพราะตายนี่แหละจะตายก็เลยใช้ความตายมาพิจารณาเงบรรลุธรรจะมเลยนะพาะฉะนั้นพุทธศาสนานี่อย่างเนี่ยหลักนึ่งมองหาความจริงให้ได้เจออะไรก็หาความจริง2มองหาประโยชน์ให้ได้เจออะไรหาประโยชน์ให้ได้หมดแล้วตรวจสอบตัวเองฝึกฝึกให้ทำไม่ได้ถ้าท่านตายสองอย่างนี้ช สบายไปแล้วก็ติดใจชอบใจบางทีร oh, uh? ูหลงพอชังไม่ชอบใจกระทุกเกิดความบ่นมองเกิดความขัดแย้งพูดวายปัญหามานี่เราไม่มองเันเลิกเลิกมองตามชอบใจไม่ชอบใจมองชอบชังไม่เอาอย่างต้นมองตาเหตุปัจจัยพอมองตาเหตุปัจจัยก็เริ่มมองหาความจริงแล้วก็แยกเป็นสเนี่ยมองหาความจริงกับมองหาประโยชน์หรือมองให้เห็นประโยชน์ฝึกสองอันนี้นะจะเริยอย่างเดียวเลยนะจะรีทุกวันด้วยจะอะไรมองหาความจริงกับมองหาประโยชน์ไอ้บางเรื่องมันรู้อยู่แล้วมันจะเป็นเรงรู้ความจริงก็มองหาประโยชน์มองให้เห็นประโยชน์มองจากทุกรุ่ทุกราวแม้ เ ร, เรื่องงานเรือการมันก็ประโยชน์กับทุกอย่างเลยน ะ, ะ, ย ะ, ะ, ยะมันก็คือชีวิตเรานี่ยแหละมองก็เห็นว่างานก็คือชีวิตของเราส่วนหนึ่งแล้วก็งานมราดีชีวิตของเราก็ดีด้วยก็ต้องทำงานของเราให้มันดีนีให้มันเป็นความสุขให้มันเป็นเวทีพัฒนาชีวิตให้มันเป็นทุกอย่างที่ดีงามเป็นการสร้างสรรค์เป็ประโยชน์ได้เป็นประโยชน์ต่อไปก็คือาการใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ธรรมะก็คือความจริงความถูกต้องความดีงามของธรรมดาพื้นๆเป็นแต่ว่าเรามารู้จักมันนะรู้จักธรรมดาแล้วก็ทุกอย่างเราก็จะเข้าใจถูกต้องเนี่ยแล้วมันก็ไม่หนีธรรมดาไปได้อ ถ้าจะคุณเคยพูดถึงธรรมะสีะ่อย่างอ๋อความหมายของธรรมะใช่ไหมคือธรรมะเนี่ยมีความหมายเยอะแยะหมดย่างอะไรก็านจะแยกบางแห่ ง, งรรทุกสิบเอ็ดความหมายทีนี้สรุปประมวลความหมายหลักซึ่งรุมหมด 1. นึ่งธรรมก็คือสิ่งทั้งหลายเท่าที่มีที่นึกได้ทั้งรูปธรรมนามธรรมดีชั่วไร้เรียดดีเป็นธรรมะหมดอันนี้เรียกว่าธรรมชาติเลยธรรมะในความหมายที่ก็คือธรรมชาติก็คือสิ่งทั้งหลายทุกอย่างบันดาลมีสองธรรมะก็คือ ความจริงเาธรรมชาตินั้ น, นความเป็นไปธรรมชาตินั้นเชนต้นไม้มันจะเิยดอกงามมันเกิดจากมเมล็ดพืมันโตขึ้นมาแล้วมันที่สุดมันก็เหี่ยวเฉาแล้วมันก็ตายที่คนเราเกิดมาแล้วก็เกิดกจตสิ่งทีงหลายเป็นตามเหตุใจความเป็นไปของสิ่งที่หลายที่เป็นความจริงของมันนี่เป็นความหมายที่2ของธรรมะใช้ภาษาง่ายก็คือธรรมดานี่แหละที่พูดนะธรรมธรรมชาติก็คือสิ่งทีงหลายที่เป็นไปตามธรรมดาธรรมคือไรธรรมก็คือความเป็นจริงของธรรมชาติเท่านั้นใช่ไหมธรรมะก็คือความจริงของธรรมชาติทีนี่สละต่อไปนี่หมดละที่จริง เพราะมนุษย์เนี่ยเป็นตัวสคัญมนุษย์นี่จะมาสมัมันธรมธรรมชาติมนุษย์เราต้องการมีชีวิตที่ดีใช่ต้องการจเลงอกงามต้องการมีความสุขเราก็อยู่ใต้กฎธรรมชาติึงเราเป็นธรมน ร, นธรมชาติดยใช่ชีวิตของเราเธรรมชาติแก่จตาตามเหตุจสองเราก็เป็นปตามธรรมดานั้นกอยู่ใต้กฎธรรมดายังที่ว่าคือแก่จิตใจเราต้ ก, การย่อยอาหารราต้ ก, การอรเรียนของเราจะทับทายได้ต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาตินั้นเป็นไปตามธรรมดามวลที่นี้มนุษย์เราเนี่ยเมื่ออยู่ในทเป็นธรรมชาติอยู่ในกฎธรรมานเราต้องการมีชีวิตที่ด ถ้าเรารู้ธรรมชาติรู้ธรรมดาและปฏิบัติได้ถูกต้องเอาปรดธรรมชาติเอาความรู้ในเหตุปจัจจัยมันใช้ประโยชน์สมดุลชีวิตของเราจะดีใช่ตรงนี้แหละคือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์แธรรมดาและธรรมชาติก็เลยเกิดธรรมะในความหมายที่สามว่าข้อที่มนุษย์จะต้องทำต้งปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปสอดคล้องกับธรรมดาและธรรมชาติแล้วจะได้เกิดผลดีกับตัวเองนะเหมือนกับว่าไฟเป็นธรรมชาติธรรมดาข้ามาคือร้อนแล้วเกิดเชื่อใช่ถ้าเราเติมเชือ้อมีออกซเยนมีอะไรแล้วอุณหภูมิสูงขึ้นมันจะร้อนจะขยายบุงใช่ไหมแล้ ก็คือว่าเราไปสัมพัสกับธรรมชาติถือไฟที่มันเป็นไปตามธรรมดาเช่นมันร้อนไปตามเชื่อมีเพลอบพันอะไรต่างๆวนนี้เราจะได้ประโยชน์เราก็ต้องปฏิบัติต่อไฟให้ถูกถ้าคุณไม่ต้องการให้ไฟไหม้เผาตัวคุณคุณก็จะต้องไม่เอามือของคุณไปลุนไฟเป็นต้นและถ้าคุณจะหุงข้าวต้องการให้ข้าวสุกคุณต้องเอาใช้ไฟร้อนเท่านั้นท่าี้เนี่ยที่ต้องปฏิบัติอย่างนี้มันการที่จะใช้ไฟร้อนเท่านั้นหุงข้าวการที่จะไม่เอามือไปลนไฟอะไรต่างๆเนี่ยคือข้อปฏิบัติของมนุษย์เพื่อให้ได้ประโยชน ออทำไมมนุษย์จึงต้องทำอย่างนี้ทำไมจึงต้องทำกั น, นทำไมเราจรึงควรมีเวชการุศลต่อกันทำไมเราจรึงควรจะต้องมีความเพี ย, พ ย, ายาทรที่ยั่ธรรมะข้อนี้ต่างๆทำไมต้องมีสมาธิต้องมีสติใช่ไหมธรรมะจะธนาศีสมาธิปัญญาธรรมะพวกนี้ก็คือข้อปฏิบัติหรือสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำเพื่อให้เกิดผลดีกับชีวิตเขาตนโดยสอดคล้องกับความจริงธรรมชาตินี่ธรรมะในภาควาที่สามเ ร, าเรียกว่าธรรมจริยามาหน่อยนึ่งต่อไปธรรมชาติมันก็อยู่เหมือนย่างนั้นธรรมดาความจริงมันก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้หลบหน้าอนี้หายไปไหนไม่ได้ปิด ก็มีมนุษย์บางคนพัฒนาตัวเองเปิดปัญญาเดี๋ยท่านคนพบความจริงนี้ท่านที่คนพบความจริงนี้เองเนี่าพระพุทธเจ้ามาคนพบธรรมดาธรรมชาติและก็ได้รู้ธรรมะที่ต้องปฏิบัติท่านตรงนี้เป็นพระพุทธเจ้าก็าอยากจะให้คนอื่นได้ประโยชน์อย่างพระองค์ให้เขาได้ประโยชน์ในธรรมดาธรรมชาติธรรมจริยาก็เลยมาสอนมาบอกให้คนรู้เข้าใจเส้นนี้นทำสอนทำบอกของท่านก็จะบอกเรื่องธรรมชาติบอกเรื่องธรรมดาบอกเรื่องธรรมจริยาคําสอนของท่านก็คือสื่อไปถึงธรรมชาติธรรมดาธรรมจริยาทำสอนที่บอกเล่าที่เป็นสื่อไปถึงธรรมะในความหมายสอย่างแรกก็พอยถูกเรียกว่าธรรมไปด้วยแล้วามมที่ก็คือ มควา ม, มายว่าคสอนของพระพยุทธเจ้าี่เราแปลกันง่ายๆแต่ที่จริงก็คือคาบอกเล่าที่สื่อไปยังธรรมในความหมายสข้อตนหรือเป็นปรดุดตัวแทนของธรรมะข้อตนใช่เ่ธร ร, รมะที่เราอ่านกันเนี่ยอ๋อก็คือตัวแทนบอกธรรมดารูปบทธรรมนามเยเนี่ยตดินน้าลมไฟอะไรนี่นะขันาอันนี้ก็คือบอกธรรมชาติแล้วก็บอกธรรมดาแบบมันเป็นใจรักอันนี้จ้าทุกครั้งนักตา ม, มันเป็นปฏิจจสมบัติเนเป็นตามเหตุปัจจัยคนธรรมชาติเป็นเป็นตาแล้วไปบอกามนุษย์จงต้องทำนี่ต้องเจริญสีสมาธิปัญญาสมบูรณ์พุจริน อยู่ท่านี้อยู่ในธรรมส่ข้อเนี่ยนะก็เลยวันนี้เลยมาพูาดก็ม่อธิบายก็เลยอธิบายไปเรืยีจริงก็ไม่ยากใช่ไหมปั๊บเดียวก็เข้าใจหมดแล้วธรรมะมีสี่ความหมายท่านี้นะก็เอาทีงธรรมชาติธรรมดาธรรมจริยาธรมเทศนานะก็รวมในธรมมรมธรรมก็ อ, อยู่ในหมดสภาวธรรมสัจธรรมเป็นธรรมที่เราฟิกแพงในสัจธรรมก็ไม่ใช่คำยืนก็เป็นตัวหนึ่งในความหมายเนี่ยก็สัจธรรมก็อาจจะเป็นธรรมชาติกได้เป็นธรรมดาก็ได้ใช่ไหมแต่มันไม่ยากกว่าเพี้ยชัดสภาวธรรมก็เป็นโดยมากในหมายที่ธรรมชาติแต่บางครั้งก็หมาย่ธรรมดาด้วยแต่ถ้าแยกกับ นะธรรมจริยาก็คือข้อที่มนุษย์จะต้องทำเพื่อให้ได้ผลดีกับตัวโดยสอดคล้องกับความจริงของธรรมดาพอรึโดยสอดคล้องกับธรรมดาธรรมชาติใช่แล้วก็ต่อไปก็ธรรมเทศนาก็คือคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้บ่งหรือเป็นสื่อไปสู่ธรรมชาติธรรมดาและธรรมจริยาธรรมดาที่ความเปไปความเป็นไปข้าธรรมดาธรรมชาติก็คือตัวสิ่งนั้นนะตัวสิ่งนั้นใช่ว่าเอ่อกระดานไมโครโฟนเหล็กใช่หมหินดินแก๊สน้ำนี่นรื่ธรรมชาติใช่มธรรมดาก็คือความเป็นไปขหรือความจริงขึ้นใช่ เล็กนี่จะหลอมเมื่อโดนอุณหภูมิเท่านั้นใช่หรือว่าไอ้เจ้าต้นไม้นี่ตัวจะแม่พืชหรือว่า้นต้องตอนเอ า, า, นเนาแล้วเมื่อมันโตมาจะงอไอ้เจ้าแม่พืชจะเกิดเปน็นต้นไม้ทังไงก็ต้องมีดินมีน้รือความชื้นมีปุ๋ยโอชะแล้วก็มีอุณหภูมิพอเหมาะมีแก๊สอะไรต่างๆนี้ใช่ไหมก็เป็นไปตามปจาัจจัยเมื่อเหตุปจัจจัยพร้อมไอจ้จะาพืชเมล็ดนี้ก็จะงอกเป็นต้นไม้ใช่ไหมแล้วมันเป็นตน้นมะม่วงงอกเป็นตน้นมะม่วงอ้นี่ก็ธรรมดาเข้ายนะฮะคือคามเป็นไปหรือคารม <S <S ริ คนทั้งหมดไปอยู่แค่นี้ใช่มนัวิทยาศาสตรก็คนธรรมชาติกธรรมดาแต่ว่าแกไปเน้นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาของธรรมชาติด้านวัตถุไอ้ธรรมดาด้านจิตไม่เอาคือนักวิทยาศาสตร์แต่ก่อนนี่ก็มองว่าธรรมดาด้านจิตใจธรรมชาติด้านจิตใจไม่มีจริงเป็นเพียงผลพลอยได้จากเรื่องธรรมชาติด้านวัตถุเพราะนั้นก็เลยถือว่าไอ้เรื่องจิตใจอะไรต่างๆไม่ใช่ธรรมชาตินก็เลยไม่มาศึกษานีตอนนี้ก็พอมาถึงในยุคนี้ทุกคนต่ำมาแล้วนี่ก็อยุบนิวฟิสิกอะไรเนี่ยก็เลยนึกว่าไอ้เจ้าโลกวิทยาศาสตร์ด แล้ก็เลยต้องพัฒนาต่อไปทางวิทยาศาสาตร์มาเอาด้านจิต ด, ด้วยมันก็จะมาเจอกับพุทธศาสนาพุทธศาสนาเอาทาั้งด้านรูปธรรมนามธรรมแล้วเอานิยาม5 1. าผู้ตุนนิยาม 2. อิทนิยาม 3. อิตนิยาม 4. ี่กรมนิยาม 5. ้าธรมนิยามใหากฟังหมดเลยใช่ไหมเอาแล้วมาทำสี่บนี่แหละพุทธศาสนาก็จะพูดถึงนิยาม 5. แต่ทั้งหมดนั้นี่จริงมนย น, รรมนยามลยแต่ถิมแยกย่อยออกไป